เขียนอ่านคนเดียวเขียนให้ก็ได้มันฉลาดแล้วเป็นได้แตก่อนนั่งนก็ต้องนเยอนั่นแหะดีแ้ก็อืนั่งสมาธิด้วยแล้วในตองอะไรมันมากมายหรอกจะให้ผิดมันผุ้มซ่านลำคานเนีนั่งเนีมันสงบต่อไปมันกิเียดมันหลายอยู่นั่นมันจะสงบด้แล้วเด มันช่างให้สงบง่ายที่สุดจริงไหมกช่างมันมันจะง่ายหรอกมันมีเหตุมีผลเนี่ยใครมันง่ายที่สุดนี่กินข้าวมันอิ่ง่ายที่สุดจะทําไงเอาคําเดียวมันจะอิม่มเหรอไอคนเรา<ด>มั น, น<า>พูดอย่างนั้ น, น, นแหละอยากได้เร็วๆอันตมามันบวชจนจะตายกับพุทธศาสนาแล้วมันยังไม่ค่อยสงบเลยไอโยงจะไปนั่งเอาเวลาเดียวมันสงบย่ังไงแล้วป่านนี้ไง คนมันอยากได้หลายอย่างนั้นแหละไปนั่งมันก็วุ่นวายทนะั้งนั้นมีไปนั่งมันมีความตะงงเรามีไปวุ่นวายทั้งนั้นแหละอ ะ, อะไรไข่ไม่ไปสองครั้งไปครั้งไปสองเดือนอยู่นานนะถวายอะไรอะโอ้ยมันก็ถวายนั่นแล้ ไม่ถวายจะทำยังไงจะไปทันชันที่ไหนล่ะก็พยายามมาทำบุญก็ก็สนใจนใจาช้าสนใจนี่กำลังจะสนใจเขาพึ่งกำลังเขาไปวัดเขาไม่ต้องไปคุยอะไรเรื่องอืีนหรอก ไปนั่งสมาธิให้จิตสงบเท่านั้นเลยเงียบเท่านั้นแหละืมมีเหมือนคนไทยเราหรขายปอกเอาเดืองปอไปพูดกันทำไร่เขาเดืองไร่ไปพูดกันอะไรเอไปพูดกันตรงนั้นแหละหาเวลาที่จะทำจิตเป็นสงบไม่มีเยอยากเจริญเร็วที่สุดไปที่วัดก็ไปคุยกันโน่นนี่กระกับเท่านั้นเนี่ยเมื่อเราไปวัด ไอ้ความจริงๆไม่ได้หาไม่ได้หาเรื่องพุทธศาสนาไปในใจของเราเลยเขาเข้าไปวัดเขาไปนั่งมีบอกเขไปนั่งเงียบเไม่มีใครพูดทําจิตให้มันสงบเราก็ไปคุยกันอโน่นนี่เลยไปสะสางกันตรงวัดนั่นเนี่ยงานไปแล้วมาก็กินเลี้ยงกัน้ทีดีตองแยะพวกมันนอกเขาไม่สนใจเราเองนั่นเขาไม่สนใจ อย่างพุทธคัปที่ทำมาเฟ่ในความเป็นจริงเมืองเคขาจริงเขาไม่สนใจหรอกจะไปเรียนจะไปสอนจะไปกินเรื่องจะไปอะไรกันเขาไม่สนใจเขาสนใจนหาความสงบไปตรงนั่งโดยมากอืประเทศเขาก็<ๆ>ไม่เข้าไปว่าอย่างนั้นมีแต่พวกคนไทยห่อไปอืลูกสาวลูกชายไปเรียนหนังสืออยู่ทังโ น, นพอ่อแม่ก็ไปเยี่ยม อพอไปวัดอ า, อาหารมาทานการคุยกันสนุกสนานกับกับมามไม่เห็นว่าใครจะไปนั่งสมาธิตรงนั้นอดี๋ยมาไปดูละตอนใครจะไปนั่งสมาธิไม่ไม่ไม่เห็นอืนี่จะคุยกันไปเรื่องอื่นเท่านั้นเนี่ยเท่านั้นแหละจะได้เรื่องอะไรคนไปกินเขาไม่ชอบอย่างเงินหรอกเขาคน้นคว้าห า, าศาสนาจริงๆถ้าว่าคนไทยนี่ มีศาสนาแต่ไม่รู้ศาสนาจะเล่นไปเรื่องอื่นเป็นท<ๆ>ี่เคยคำว่าต้องนั่งกันใบก็ต้องไป น, นั่งกันไปสึกนั่งให้มันสงบมไม่มีคนคนหนึ่งชื่อสุธรมมาไปอยู่สหรัฐอยู่ในถนนเพินจิตเนี่ยไปแอบอยู่กับเขาอาจจะมาไปสอนพวกนั้นอยู่นิสสุสิต พอกรหลังเขาไปเต้นตุธมาเ น, น, นี่จะเป็นชาวคริสต์เลยเนะ่ะเขาทำอะไรกันเนอะก็เลยไปดูดูจะเภาษาไทยเรานะี่ยของบ้านเราเนี่นยนรรมะก็ไปเทศน์ใกรรมฐ า, านอย่างนี้มันหนึ่งก็ได้พานกับหลวงพอ่อทำอย่างนี้ที่กรุงเทพเรามีไหมดูจิไม่รู้จักว่าเขาทำสมาธิที่ตรงไหน ไปเห็นเมือง น, นอกทําไม่รู้จักก่าที่เมืองไทยเรามีไม้มเป็นคนอดอยากอาจจะปวดแดงอ้เขาเดี๋ยวไปปวดอ้เขาเขาคัดคามกันอืมสแสดงว่าไม่เคยเข้าไปวัดไม่เคยรู้จักการจะทําอย่างนี้คือไปทําอย่างนั้นเดือนนั้นไปมาทุก้าววั น, นมันทํทยาจิตใจให้สงบมันมีตรงโลกกันหลายอย่างชื่อสุธรรมานุ่งจะกลับมาแล้วน่ะ อยู่ถนนเพื่อนกิจเ ม, มื่อนูไปแด้วนูจะขึ้นไปกราบหลวงพ่อที่วัดยังไว้เห็นมาหลายคนคนเมืองมาวีนนี้ไปดีไปทำอะไรโดยไปได้ศาส น, นามาเต็มมุนนอกโดยไปเข้าใจมาเต็มมุนนอกเมืองไทยเดานี้ไม่เข้าใจเลย พระกัพระโยมประโ ย, ยมจะอยู่อย่างนั้นน่ะคนด่เรื่องด่าราวเนี่ไม่ดูเรื่องกันบางคนแต่ไปทั้งนู้นมันบาวเวยนี่ไม่มีใครมองดูเมืองเขาแตคนแก่กต่เป็นฝรั่งคนหนุ่มก็เป็นฝรั่ ง, นน เ, งเด็กมันก็เป็นฝรั่งมันเป็นฝรั่งกันถ้าไปหมดเนี่ยไม่มีคนไทยเหล่นะานีเมื่อเห็นคนไทยไป ย, ยังอจะมาไปเอมันมากมาหาเหมือนไปอยู่วาดเดียวกันเนี่ยรู้จักกันหมด ท, ทุกคน มีรูปมีตาคนคนมาถวายเอาถวายคนไม่มีลูก <c oughs> <c oughs> ลูกามาถวายก็ได้หลายคนหนึ่งวานก็ยังมาทวงหนึ่งวันพอจ่าก็มาทวง <c oughs> ไม่ค่อยอะไรกันโดยมากก็คนไทยเราพวกนักศึกษานไปรู้สึกอยูไปรู้สึกอนะืจารย์ครับดเรา ยังยังเข้าไปพวกนี้มันมาหลายนี่ตกใจมันมากันยังไงเนอกยเขาจะบนอวิธีทำพลังเขาก็ทำขาครับแต่คนไทยไม่รู้จักทำนั่งเนอะไรมันรอดก็ได้คิดหลายหายอย่างเลยเพื่งกลับวกมาดูศาสนาของเราแค่นั้ยถ้าไปห้าข้าก่ก็เดี๋ยวไป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 ไปกันนี่งๆนะแล้วมันก็ไปดูเรื่องของศาสนาอย่างแท้จริงถ้าบ้านต้องมีศาสนามันจะวุ่นวายกันอย่างๆเนี่ยมันไปจับจะเอาแต่สิ่งอื่นมาทํากันซะสิ่งที่เราชอบใจอย่างอื่นนะเอ็กความที่เดียวใหเป็นชิ้นธรรมเนี่ยที่เป็นศาสนาที่จะกุ้งปรองกันนะมันไม่มีไม่มีอะ อะไรเออยังมีโยมเขายังมมาเนะารย์าจ็เรามมุติเบอกวาาเรรไมุ่่นวาแล้วนะครั้สุาสนาแบบแบบกันหมดแล้วนะเออองดูประเทศภายนอกเขาจะมาทาให้เราเพิมนานอืมกอมี้อได้ประเทศเราเาอยากจะได้อมันมันมันตัวไปเน่อันนั้นมันคนอื่นเขามาทาเรา จะกันก็ไม่ได้หรอกเพราะนั้นน่ะมันเรื่องของสนอื่นเราประกันไม่ได้เประกันมันไม่ได้แต่ว่าถ้ามีศาสนาทั้งหลายเนี่ยคงจะปกป้องเรากเรา่ปกป้องตัวพวกเรานี่แหละไม่ปกป้องอื่นไกลแล้วปกป้องประเทศเราได้ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่แน่นะถระพูดใเจ้าถราพุดใเจ้าเขาก็ยังจะฆ่านี่นี่ ดูยี่พรพุทธเจ้าเกิดมาเรนี่ดูที่เขาจะตามข่าเหมือนกันเน่ยมันเป็นเรื่องของอย่างนั้นโลกถ้าเกิดมาในโลกมันมีภัยวิบัติทั้งนั้นโยมมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งเน่ยมันไม่พ้นจากทุกข์ในความเบียดเบียนซึ่งกันในการมาอยู่ในโลกนี้แต่ดมามันช้ามันนานกลุ่มชนทั้งหลายแล้วนั่นถือระทิอันใดนมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าจะพคนอันตรายทั้งหลายเนี่ยมันมันมันยากมาอยู่ในกลุ่มนี้อืม มันก็็เปสมมติวัดของเราเราก็อยากจะเก็บเอาไว้นี้นะคะมันเป็นวัดนะเขาก็มาลุกล้ำอยู่เรื่อยเลยก็จะทำไงก็ป้องกันไว้ป้องกันไม่ไว้ก็ให้เหมือนเท่นั้นเนี่ยมันอาวัดไปมันก็ไม่ได้มันก็ตายเหมือนกันโลกมันเรื่องของโลกเรื่องศาสนาก็มาตั้งอยู่ในโลกอันนี้ไม่ใช่จะไปป้องกันอันนั้นจนเกินขอบเขตไป ถึงข่าวถึงสมัยมันแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปของมันอย่างนั้นเออไปกันมันไม่ได้อย่างแน่นอนบอกท่านเิียงบอกไอ้มันไม่เที่ยงจริงั้างในแ้วนี้มันไม่เที่ยงแต่ว่าเมื่อเรายังทรงอยู่นะแ้วก็มีความสุขสบายกันอบวอารีภายในประเทศของเราทั้งหลายแบเนี้อืมนะถ้าเราไม่มีศีลธรรมก็ยิ่งวุ่นวายกันใหญ่มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้มดูเล่าข่าวว่า เขบอกว่าอีกน้อยมาพูดศาสนาะไปเจอเลยที่สุดที่ปากีสอืัคมนันนี่ก็เขาว่าเขาว่าไอ้ที่คนไม่รู้มาพูดกันตอนนี้นาจะมาตอนนี้ที่ประีนือศาสนา้บ้างเลยเนี่บางทีมันก็อาจจะเป็นพวรามันหมดเชื่ออะไรมันแย่มันก็ดีขึ้นมาได้เหมือนกัน ในความจริงพุทธศาสนาประชาชนนับถือพุทธศาสนาทุกวันนี้นะ่ะมันไม่ถึงหลักของพุทธศาสนานะเอออย่างที่พวกเราบอกโอ้ยอะไรมันไม่เป็นหรอกเรามีพุทธศาสนานี่เออเรามีพุทธศาสนาอะไรฉันมามันไม่เป็นหรอกต่างๆนี่ก็เข้าใจว่าเพราะพุทธศาสนาให้มีปาฏิหาริย์ในคุ้มคลองเราทั้งโลก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 อย่ไปคิดให้มันมากนะบางคนคิดคิดคิดมากเลยกลัวคอามจริงจะเป็นบ้าเลย <c oughs> มามาสู้มันจนตายอะไรทุกงุ่นวาย <c oughs> คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็มีดีอยู่ของมันแต่ว่าเช่ <c oughs> นเช่ น, นว่าคนไม่นับถือพุทธศาสนาเราไปสอนพุทธศาสนาให้มันมองไม่เห็นนะ่คือมันไม่ได้พิจารณาความจริง ชิ้นอันหนึ่งมันยังมีชิ้นดีอยู่ในนั้นแต่ว่ามันมองไม่เห็นอย่างนี้อย่างทีคนร้ายยางไงยเขาทํามันก็บวนปันในโลกเยบางทีชิ้นดีมันก็มีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็ น, ยนอย่างนี้เพราะเราเข้าใจอย่างอื่นอยู่มากๆากอย่างนี้มันมันเต็มสิ่งที่ปกปิดอยู่หลายอย่างแต่ว่าในทางที่ถูกเราจะมาว่าก็อยู่เฉยๆนะอย่าไปคิดอะไรมันมากมายเลยอืม ดอกไฟถูมันไม่ได้มันถึงถึงขราวมันเสื่อมอย่างเราเกิดมานะแต่เกิดมามันอยู่ในท้องแม่เห็นมแล้วออกมาท้องแม่มันก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาได้ดีมันจะเดื่ขึ้นนะเถิงที่สุดมาก็ผมหงอกฟันดุกกันได้ไหมอือตาแลป้าป้าอือกันมันได้ไหม แต่ชอบอยังไงหรือเรื่องไม่ชอ บ, ชอบไม่ชอบแต่การมันไม่ได้แน่จะทำไงมันเรื่องของธรรมชาติยัางนั้นเราต้องรับจะดีกว่ายอมรับเลยสภาพอย่างนี้ยอมรับว่าเราจะต้องแก่มันแก่แก่ี้ดีไหมดีถ้าไม่แก่เราไม่ตัวมาขนาดนี้หรอกมันจะเทาวคาปั้อนอยู่ในท้องมันม่เกิดมา แ, แต่มันไม่แก่อันนี้มัน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 โลกเป็น่งนั้นพระอานอนท์กับพระพุทธองค์เป็นคนขอทานกว่าอะไรเปี่เิวินเทบาตกระพานน์แระพุทธเจ้าของเราใครแล้วพอกวิชาติฐิมันไม่รู้เรื่องถึงมันก็เห็นว่า พระสมณะเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากขอทานกินเท่านั้นนะไม่เห็นมันเกิดประโยชน์อะไรเมื่อมันคิดเย่นนี้ก็ <c oughs> บางทีพระพุทธองค์ไปบินถบาทพระพานนันก็แกล้งพูดเย้ยยันต่างๆ <c oughs> บางทีไล่หนีไป พระพุทธองค์เรายิ่งมีปัญญาหลายพระอานนท์ก็ยิ่งโง่โกรธเขาอายเขาพระพุทธองค์ก็ยึ่งไปในธรรมะว่ามนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้สองคนน่ะลูกศิษคิดอย่างหนึง่งอาจารย์คิดอย่างหนึง่งลูกศิษย์กาลังเริ่มโง่ไปเรื่อยๆไป <c oughs> พอมันคน ต่เสียงที่เขาว่าไม่ได้พระพุทธ อ, องค์ยิ่งเหมือนว่ามันถูกลมมันยิ่งวิ่งเป็นไปมันยิงวิ่งเป็นไปพระอานนุนตวัดซ้ายตวัดขวามันเหมือนว่ามันคานตรงไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปแกล้งยืนหน้าบ้านมิจฉาคิติอุบัติเลยไอ้คนในบ้านมันก็ไล่ สัมณะอะไรสมณะอย่างไรไม่มีประโยชน์อะไรว่าหันไม่ให้น่ะหนีไปเขาไร่พระอาโนนก็ยิ่งมืดยิ่งแค้นยิ่งโกรธยิ่งละอายพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเริ่มเกิดปัญญายิ่งสบายใจขึ้นวางคิดว่าง เรื่องในโลกนี่คือคนไม่รู้จักมันก็ต้องเป็นอย่างนี้พระอานุนไม่รู้เรื่องก็ยิ่งโง่พระพุทธองค์ท่านรู้เรื่องก็ยิ่งมีปัญญาก็เตือนพระอานุนว่าให้นี้ไปฮะพระ อ, อนุนเตือนทนว่าเขาไม่ได้พระพุทธองค์ท่านตอบว่าอนุนจะไปที่ไหนเล่าไปทางโน้นต่อไปโน้นไปบ้านหน้า น, น้น อนโนนถ้าบ้านข้างหน้านเขาว่าอย่างนี้อีกเราจะไปที่ไหนไปต่อไปอีกออกจากบ้านคนแล้วก็ยังไปถึงตำบลถ้าตำบล น, นั่นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปตำบลหน้านู่นอีกพระพุจะองค์ก็ถามไปตำบลหน้าเขาว่าทีา่อีไปยังไงอีกไปอำเภออื่น พระพุท อ, องค์ท่านตอบว่าอำเภออื่นเขาว่างนี่จะไปทีไหนอีกจะต้องไปในเมืองโน้นถ้าเมืองโน้นเขาว่าอย่างนี้จะไปที่ไหนไปเมืองหน้าต่อไปไปจนหมดจะมันหมดที่ไปจะไปที่ไหนอันนั้นจงนี่เขาก็ว่าจงนั่นเขาก็ว่าจะไปที่ไหนพน้นอืมนาทีโลกเกออ น, นันติโตคนไม่ถูกนิพพาไม่มีในโลกมันโลกที่เรา เดินไปท่องเที่ยวอยู่เนี่ยไม่ใช่เขาว่าเราจะเป็นยังไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกเขาคนเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ว่าอย่างหนึ่งคนเป็นสัมมาทิฐิมันก็ว่าของมันอย่างหนึ่งอืมนะไม่มีที่ไปอานน์ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ต้องชนะ ถ้าเราแพ้มันอยู่ในเมืองนี้ไปเมืองหน้ามาต้องแพ้เรือยไปเราจะทำไงดีถ้าโนนก็ตอบไม่ได้อันนี้ก็เือนกันจก่นั่นจะไปตรงไหนนะ่ะจะโพนไม่ว่าจะเราไปบินธบารขอทานเนี่ยถ้าพูดทางโลกก็นะภรรยาเราแต่งงานมาแต่แพ้นะ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 ที่เราเรียกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆทาไปแล้วค่อยๆปล่อยวางรู้เรื่องสิงทั้งหลายเหล่านี้แล้มันก็อสู้อารมณ์หน่อได้หักมันซเล้อกปัญญาลือกปัญญาการคิดอย่างนี้การทํอย่างนี้เท่า น, นั้นแหละอย่าไปห้ามเขาอย่าว่าให้ฉันเลยไม่ได้อย่าไปว่าฉันเลยไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนั้น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 ใชนี่เรื่องแก้ปัญหาถ้าเขาไม่หยุดเราก็หยุดเคียถ้าเราหยุดแล้วมันก็ไม่วิ่งไปแล้วมันไม่มีปัจจัยที่จะวิ่งไปเมื่อเราไม่วิ่งไปตามมันก็หยุดเหมือนกันมันเขวกมาพิจาราเรื่องของเราของสาวไปคนมีปัญญาโอ้ันนี่เรามันผิดเนี่ยเขามันสบายเขาหยุดได้อย่างนี้ปัญหามันก็จบลงตรงนั้น อันนี้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันโลกก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่รู้จักธรรมะอย่างนี้ก็ทุกข์อยู่เรื่อยไปมไม่รู้จั ก, กว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วจะต้องคิดนาอย่างนั้นหนีด้วยปัญญาที่ไหนไม่ให้เขาว่าเราไม่มีมแล้วเขาว่าเราทีหนึ่งก็เหมือนอามีดไปรับทีหนึ่ง เขาว่าเราบ่อยๆกลัวมันเรารับบีบอยู่บ่อยๆนะฮะเมื่อรับบีบบ่อยๆมันก็คมบ่อยๆนะฮะนี่อย่างนี้เครื่องทั้งหลายที่เขาว่าดีด้วยช่วมันเป็นคําสอนอย่างดีแต่เราไม่รับพิจารณาถ้าถูกใจเราเราก็ชอบถ้าไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ชอบอย่างนั้นนั่นก็ไม่ได้อย่างนั้นอืโลกเขามันเป็นอย่างนั้น แค่นั้นคนจึงมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะคนไม่คิดอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเลยทุกบ่อยๆก็ยิ่งมีปัญญาบ่อยทุกจิกทุกบ่อยๆก็ยังมีปัญญาบา่อยเมื่อมีปัญญา บ, าบา่อยๆเป็นต้นก็เกิดผลประโยชน์บ่อยๆอันนั้นก็ได้ว่าเป็นผลที่เราคิดที่ถูกต้องมันเป็นเพราะเราจะบเดี๋ยกลับบ้านมันมันถึงเย็นอือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเรานึกว่าจะไม่กลับละคงจะ ร, ร้ อ, อ, อนอ น, น, น, มนมะมึงยังนอยังในยังไม่พร้อมใ น, นยังไม่พร้อมไต่ท้าประธานยังไม่มามาจากกรุงเทพแล้วองค์ก็ยิง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 ว่าเดินสิ้งหาละ่ะเนี่ยมันมันผ่านมาเดินสิ้งหามาแล้วสร้างพระองค์เนี้ยไม่มีสัญญาเงินหลายแสนนี่ไม่มีสัญญาท่านไม่ชอบทําสัญญาถ้าไม่ทําสัญญาจะทําเงดีเงินสามสี่แสนเนี่ยอืจะให้คนทําพระไม่มีสัญญาไม่มีตัวหนังสือเลยโยมชาวบ้านก็ไม่ทํานีำ คนสมัยนี้มันก็ไม่ยอ ม, อมถ้าทำสัญญาเ็เลยอาจารย์จิตประวุฒิท่านว่าผมมาสร้างพระนี่ไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้างมไม่ใช่ผมเป็นคนรับจ้างถ้าจ้างผมเท่าไรผมก็ไม่เอาอันนี้ผมจะประกวดสีมือไว้ในวัดนี้ให้เป็นที่พอใจแต่นั้นแหลอันนี้มากกว่า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 อย่ามาเกี่ยวข้องเลยอาตมาจะไปโยนลงน้ําำไปโยมเฉยซะอาตมาจะไปเป็นเป็นพ่อค้าไปค้าขายตปโยมเฉยซะว่าไม่ใช่เรื่องของโยมแล้วมันเรื่องของอาตมาแล้วให้อาตมาเรายโยมให้มันหมดสิทธิ้อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นยังไงอย่าไปคิดเลยโยมให้อยู่สบายเท่านั้นแหละแต่ว่าอาตมาเนี่ยก่อตั้งใจว่าจะให้มันเป็นพระได้พระมา แต่ถ้ามันเป็นพระมาก็ดีแต่ว่าไม่ได้พระมาก็ให้ดีเหมือนกันไม่ให้มีใครเป็นอะไรกันทำนะถ้าทำอย่างเงี้ยต้องยอมทมกันไม่ต้องทำสัญญากันหล้วนะเอาความดีว่ากันเลยเอาศักดิ์ศรีว่ากันเลยเอาคุณธรรมที่เป็นมนุษย์นี่พูดกันเลยถ้าว่าอาจารย์จีนะบว่าบวชนั่นไม่ใช่ลายชีวิตแกไม่ใช่ได้หน้าที่ของแก มีเส้นรายเกลียดกองแก่นั่นก็ดีแล้วเกิดมาในชาติหนึ่งจะเอานี่มาทิ้งที่นั่นก็ทิ้งไปซะอาตมาก็จะทิ้งเงินสี่แสนนี่ไม่อะไรเหมือนกั น, นจะไปตรงไหนก็ช่างมันอย่างนี้พระองค์นีจึงได้สร้างนะสร้างขึ้นมาได้สร้างกันมาเทที่หน้าวัดกับหินไม้บวงกลมลนะี่เอามาเทตรงนี้คนเติมมาดูเททองตรงนี้หน้าหินล้นรอบนะั่นนั่นนั่ พอเทเสร็จุ๊บจะเอาขึ้นรถไปเลยอยากยเนี่เราเอาไปทำไมเอาเอาไปที่ไหนก็ช่างเขาเถอะเอาไปเถอะนะจะเอาไปตรงไหนนะเป็นยังไงก็เ ป, เป็นลองกันทิศจะเป็นไงไหมเขาทำได้อย่างนั้นเราก็ทำได้เราทำดทำทูเราเสียสาระแล้วเลยทำ <c oughs> ปรากฏว่าบอกว่าเดือนสิงหาจะเอาขึ้นมา <c oughs> ผ่า น, เ ด, นเดือนสิงหามาแล้วก็ยังไม่มาอีก ยงมก็เล่งอาตมาอยู่เรื่อยทายก็เหยียดเย็นบ้าเย็นเยนไปมันจะหายไปตรงไหนไปมันหายเถอะอมอย่าติดตัวมันเลยเรายอมนะสาละมันแล้วก็เลย ไ, ไปขัดไปขัดทีหนึ่งว่าจะดีแล้วก็ไม่ชอบใจอีกขัดอีกครั้งที่สองแลาวมันจะดีแล้วยังไม่ชอบใจไม่จุใจก็สั่งทําอีกขัดถึงสามครั้งเลยนะสามครั้งแล้วแต่ ส, สั่งบอกมาว่าไม่กล้าพูด ความจริงไปมากว่ะประเดียนหลวงพ่อเลยว่ะพระองค์นี้จะให้ก่อนปีใหม่อืมจะให้ก่อนปีใหม่ตอนแน่นอนเจว่าพูดมามันไม่แน่นอนหลายครั้งเลยไม่ไมกล้าจะพูด <c oughs> นก็ช <c oughs> ื่อดาเนี่ยใอาจารย์จิต <c oughs> <c oughs> ชื่อขนาดนั้นจะเอามาทิ้งวัดถรภพก็ทิ้งที่งเงินสี่แสนก็ทิ้งไอ้ธรรมะมันจะมีราคาไหมธรรมะมันหาราคาไม่ได้ ทำมาหาราคาไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีราคานะมันหาราคาไม่ได้อย่างนี้ก็เลยทธทีนี้ก็ <c oughs> ลูกนิมิตเอาไว้นั้นแล้วเขาปิดทองกันเหมือนน้ามันไหลนะอัตมาได้ปิดนะเมื่อไปนอกอัตมาปิดนะเลิกกัน๋ย่าทำกันอัตมาไม่อยู่แล้วมันยุ่ง เขาก็ไม่ใครจะปิดกันแต่เขาก็ไม่ฟังทั้นกันเอาอะไรไปทิ้งไปโยนแต่นั่นแหละอืสมัยก่อนเขามาปิดทองกันอุย้ยมันไหลเเหมือนกันน้าคนนี่ก็เลยปิดพักไว้อาจารย์จิตม บ, บุตรทางกทําของท่านอาตมาก็ชะลออยู่เดี๋ยวนี้มันก็เหลือดแต่ว่าจะเอาขึ้นมาเท่านั้นเหี่เอาขึ้นมาถ้าจะมาสร้างแท่นมาทําแท่นแท่นนั้นให้รวมราคากับองค์พระ ท่านก็เลยบอกว่าถ้ารวมราคากับองคพระก็มีธรรมคือผมทํานี่ไม่ใช่เป็นลุกจ้างไม่ใช่เป็นจ้างกันจะให้ผมทําถวายนะผมทำอยูก็ดีทีเนาะพูดอย่างนั้นมันก็ดีทีเนาะเอาก็เอาอย่างนั้นนี่แต่รู้ไม่จะทําอย่างดีอ ถ้าไม่เสียงอย่างงั้นไม่เอาชีวิตมาทิ้งในศาสนาอย่างนี้หรอกนะเป็นครานี่มันทิ้งหลายอย่างเลยนี่มันทิ้งหมดทุกอย่างนะนี่นะของในโลก น, ійсь, นี่ทั้งนคนมันอยากเท่งนั้นเนี่ยมันสนุกสนานเั้านั้นนะพรนะทิ้งมาก็ทิ้งหมดทุกอย่างอะทิงมาได้ยังไงนะถ้าไม่ทิ้งทุกอย่างก็มาไม่ได้แล้วจะมาได้ยังไนะงชีวิตของเราทิ้งแล้ว เงินสามสี่ห้าแสนถ้าไม่ไม่ทิ้งไปได้มันของนอกกายเลยให้ก็ให้ที่ทําก็ทาทีา่เดี๋ยพูดกันแล้วนี่อืมถ้าเขาพูดผิดเขาก็ผิดเท่านั้นเนี่ยเขาผิดเราถูกเขาเป็นคนทําผิดเราจะเดือดร้อนทําไมมันเดือดร้อนที่เราทําผิดน่ที่มันไม่ค่อยจะดีนนะไอ้คนทําคนอื่นทําผิดเราเดือดร้อนทําไมคนเรามัชอบเป็นอย่างนั้นเนาะไอ้ควรอมัคนควรจะให้คนทําผิดเดือดร้อน เขาทำผิดเดราเรือดร้อนนี่มันงโง่เต็มทีแตมอนี้นะเข้ยใจไหมนะดูนะเป็นพ่อบ้านในบ้านเราดูนะคนอื่นทำผิดเราคนมันทุกข์คิดดีๆเนะี่ยเมื่อมันเป็นก้มาเช่นหลวงพ่อธันวานะอใครทำผิดกับคนท่านเป็นทุกข์มันจะดีแต่เมั่อไอ่เขาทำผิดเรามาเป็นทุกข์เนี่ยมันอะไรมันโง่ที่สุดแล้วมั้งเลยเหเฮเฮเป็นาอย่างอย่างนั้นอย่างนั้นถึงรับ <c oughs> คนเรามันเรียนรู้มันข้ามนะไอ้ตรงนี้คนไม่รู้ตรงที่ว่าเขาทาผิดคนนี่เขาเป็นทุกข์เราจะเป็นไปทุกข์แทนเขาทาไมความรู้ตอนนี้น่ะหาเรียนยากสมอกัือเน่ย <c oughs> เรียนยากไอ้ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นใครทาผิดกับคนนั้นมันทุกข์เราไม่ทาผิดไปจะทุกข์ทำไมนะ อันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเขาว่าจะทํามาให้ก็ว่ากันแล้วเขาไม่ทำมาให้เขาก็ผิดแล้วจะทุกข์ทำไม่ะก็เราไม่มีอะไรเออเอาก็เอาทีล่ะอืมไปที่ไหนเมื่อก่อนถึงเงี้นนี่ดีกว่าทําการงานทุกอย่างเนะ่ยอย่าเอาชนะคนอื่นเขาเลยเอาชนะตัวเองมันถึงชนะคนอื่นถ้าเอาชนะคนอื่นตัวเองก็ไม่ชนะใครๆก็ไม่ชนะถึงนั้นมันต้องชนะตัวเองคนอื่นก็ต้องชนะ อืออันนี้คนก็เรียนข้ามเหมือนกันนะโดยมากคนอยากเอาชนะคนอื่นตรงนะั้นมันจึงทุกข์ยังไงล่ะมันไม่ชนะตัวเองมันจะสบายเมื่อไรล่ะไปเอาชนะคนอื่นเ้าเนี่ยนี่ก็ทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรอันนี้คนเรียนข้ามไปเรียนสูงๆหรือนะเรียนสูงแล้วมนะันข้ามมันไม่เรียนพอดีนนีะ่มันได้ข้ามแล้ว ไม่ถูกสิ่งที่พอดีเนี่ยมันก็ใช่ไม่ได้ไอ้คนดีคนเมื่อกันดีๆดีๆดีพอดีนะมันถึงดีเน่ะดีเกินดีเนี่ยมันมันลายนะเราต้องการดีดีทั้งนั้นอ่ะมันลายอายุมันกันอยากได้ยืนยืนนานๆดีไหมเอ้อายุมั่นคงยืนอายุมันคงยืน อาจจะมาป่วยนะ่ะ<ม>ก็ให้หลว ง, งพอ่ออายุได้ถึงร้อยสองร้อยนี่ยมารู้ถูกพระเลยมาเชี่งพระทําไมเล่าเห็นคนแก่ๆไหมนะั่นนะมันไปไม่ได้มันนอนกินข้าวกันไม่ได้นะ่ะโยมชอบไหมอย่างนั้นทําไมจึงให้หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นล่ะโยมจะเอาไหมถ้ามาว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกอย่างนั้นมาเช่ยงพระตท่นั้นแหละหือ ถ้าอยู่นานๆมันสบายก็ดีสิมันเดินไปได้มันก็ดีนี่อายุมากๆ ม, มันช่วยเจ้าของไม่ได้มันจะดีะยังไงเยอะความรักพ่อแม่ลูกหลานแบบพิธีพิธันประเดี๋ยวเดียวสิปฏิวัตินะ่ถ้าป่วยนานๆไปห้าปีหกปีแต่ตายก็ไม่ตายจะเป็นก็ไม่เปลีนในเรื่องคนนี้เท่านั้นเนาะ <c oughs> บางวันก็ดูมาข้าวมากิน <c oughs> <c oughs> ลองดูสิเนอะเอะ ล, ลูกเราก็ดีลูกเขยก็ดีลูกสะใพ้ก็ดีมันจะรักเราขนาดไหนถ้ามันเกินพอดีแล้วมันรักไม่ได้แล้วมันทิ้งใช่ไหมไม่เห็นอืมแต่ที่นี่จะคิดในใจเมือม่อได้จะตายเนาะไม่มานมปากดมคนเลือเกิดคิดในใจบ่นอยู่ในใจภาวนาพรุ่งนี้ว่าจะตายระวางไว้แล้วก็ยังอยู่เนะนี่ยดมากเนาะเนี่ย เขาได้มา <c oughs> ยาวตามปรารถนาของเราเลยเราไล่แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าอยากยืนบางคนมันก็อยากมีความอายุวันยืนถ้ามันใจดีนะถ้าโมโหมันเลยอยากตายวันนี้วันนี้ันนี้ <c oughs> ใครจะทําตามใจของเราไา้นั้นล่ะอืมถ้าอยากยืนใจนี่เป็นหาต่ออายุหลายวัดเก้าวัดนู่นไปรถน้ำมนอยากจะ ย, ยืน บางทีมันในพอใจมาองหงตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เอาเดี๋ยวนี้บางทีก็เลยกินยาฆ่าแมลงตายยิ่งตัวตายเยอะแยะแต่ว่าเราคิดถูกยังไงเล่าอแตมาเอามันพอดีเถอะเราเกิดมาในชีวิตนี้คือของเขานี่ของเขาเปียบันหนึ่งมาเหมือนเราไปซื้อน้ําตาลในตลาด ก, กิโลหนึ่งเท่าไรอย่างเนี้ยกิโลหนึ่งยี่สิบาทอย่างงี้ ก็เคตักมาให้จัดนี้เอาแต่ฉันตักเอาเองฉันน่ะดีไหมเงินใช่เราก็เป็นคนไปเอาเองเราก็เป็นคนซื้อน้ําตาลเาท่านั้นแหละอืมไม่พอใจของเราอย่างนั้นก็เขาขายอย่างนั้นก็ให้เขาอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนี่มันคิดพอดีลองลองดูสิ ถ้าไม่สบายใจเมื่ อ, อไรเนี่มันเกินพอดีทั้งนั้นเลยนะบางทีมันก็น้อยไปบางทีมันก็มากไปถ้าพอดีแล้วมันพออัดฉนพอมันพ้นขึ้นมาเลยถ้าพอดีนะอย่างเราทํางานเราขัดกระโถนขัดจานหนึ่งทาให้มันสะอาดเอาล่ะพอแล้วสบายไหมล่ะถ้ามันสกะปกอยู่ยังไม่สะอาดมันยังไม่พอมันก็ยังไม่เสร็จก็ขัดแค่นั้นแหละเรียกว่าคนไม่พอ ถ้าคนพอแล้วสบายเอาละพอแล้วสบายไม่ห่วงแล้วนี่นี่คือคนพอเนี้ยมันพอดีเคยคิดไหมอย่างนั้ น, น <c oughs> อกกไอความรู้ของพระกรรมฐานมันไปอย่างนั้นมันไม่วิ่งขึ้นไปสูงหรอกก็เราเหมือนกันนะพวกขัตริการเนก็เหมือนกัน การว่าอืมเป็นเด็กก็ไม่สบายใจอืมอาศัยคนอื่นก็ลําะลำบากนี่ก็เนี่ยบนลาบากได้นนไดปรารถนาไปปรารถนาไปก่อนสกายไปวิ่งหาเส้นหาสายเนี่ยในใเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อได้เป็นใหญ่เ ป, เ, ปหญเป็นโตแล้วก็ น, นึกว่าเออดีแล้วดีชั่วคณะมันได้มาเท่านั้นแหละนะ กลัวมันจะหล่นตงแล้วมันขึ้นสูงแล้วนี่ระวังอีกแล้วถูกเราไปเกาะเขาก็ไม่สบายถ้าเราโตมาแล้วถูกเขาเกาะเราสิเอาสิ เ, เดี๋ยวลูสิิ์ถูกหามาตรงนั้นแก้ให้ผมหน่ยนะมันไปทําผิดมามันมหม่เราแก้ทํายังไงละ่ะถ้าไม่แก้ให้ก็ลูกผิดเอออะเออเอะจเป็นก็เซ็นตู้มหรืเสียหายหมดก็ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นลุสิทธิ์นะนี่มันโต ไอ้ความลำบากเหตุของความโตขึ้นมาอแต่มาถึงว่าเอามันพอส้องโกนมันได้แค่นี้เอาแค่นั้นสบายดีอืมให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันจะไม่โตกว่ามันเล็กตรงแนี้ลดน้ําทุกวันต้นดอกไม้มันจะตายก็ให้มันตายสักทีให้ปุ๋ยมันให้น้ามันอยู่ทุกวันนี่เราไม่เราพยายามอยู่เนี่ยเอาแค่นั้นก็ดีแล้วมัามันจะโตเองมันนะมั้ง คนเรามาคิดมันคิดไม่ถูกนี่ว่าไงเอาสิเอานีิว่ายังไงไมเดี๋ยวเย็นๆเดียวก็ขึ้นรถไปกลับแล้วเนี่ยใครมีอะไรไม่เอาสิือในมาพบกับพระนหะดีมันเป็นมงคลอ่ะอืมถ้าเราได้อารมณ์ดีไม่ต้องอยู่ห้องปราสาอยู่รมไม้ก็สบายนั่งยืนตามยินตามหญ้าเนี่ก็สบายเนีถ้าใจเดือดร้อนเน่ะให้นอนในฟูกนิ่มๆ ม, มันร้อนอยู่ข้างในมันกลิ้งไปกิ่งมาเน่ยมันไม่สบายแล้ว นอกจากใจมันสบายเนี่ยอื่นไม่สบายยุ่งไหมนายโยมเกิดมาเป็นมนุษย์มันยุ่งไหมฮะยุ่งไหมหมันเป็นอย่างนี้น่ะโลกไปตรงไหนมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยสบายชั่ววินาทีเนี่ยโลกเป็นอย่างนี้จะมากาลังเทศให้ลูกจีดฟังหน่อยทำงานด้วยกันก็ไม่ค่อยสบาย อยู่คนเดียวก็กลัวผีอยู่มากคนก็ทะเลาะกันจะไปตรงไหนมันจะสบายแล้วเอาดอืิไปคนเดียวสบายกลัวผีอีกแล้วแต่อยู่มากคนก็ทะเลาะกันนั่นจะทํำยังไงไมันถึงจะถูกปะอืมมันไม่ถูกเราทาเราคิดไม่ถูกมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วในความสบายนี่สิตรงไหนมันอยู่ที่ความถูกต้องเป็นสัจธรรม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 มันเหตุการณ์เกิดขึ้นมาต้องรู้จักเหตุการณ์มันต้องรับนั่นนี่คนเราไม่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกไม่ยอมรับอไม่ยอมรับอัตมาเคยเห็นว่าเทศร์หน้าศกที่ไหนที่ไหนก็เทศ่ๆฟังเรื่องอนิจจังถูกขังอัตมาไม่แน่นอนโยมกับฟังฟังไปบังง่วงนอนไปบังห้าวนอนไปบ้างอืมไม่ได้เข้าใจในธรรมะ อีกศพอื่นมาตายอีกร้องไห้อีกแล้วเพราะอะไรโทษไม่ฟังธรรมะไม่ยอมรับธรรมะถ้ายอมรับธรรมะแล้วตายเนี่ยสมมติเป็นธรรมดาอยู่แล้วมั น, นยังยอมรับธรรมะถ้ารู้จักแล้วก็เอาทีมเป็นไครมื่อกี้กินอยู่กินยา ก, กันสมควรแล้วอย่างไงอืมที่หายไปก็หายไปที่ตายไปก็ตายไปนี่เกิดมาก็เกิดมาทีก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้ายอมรับเหตุกตารณ์อย่างนั้นอืมมก็สบายกแน่ะง นี่เราไม่ยอมรับธรรมะของท่านเอาใจใจเราท้าเรียวเท่านั้นแหละอัต ม, ม, มาบอกว่าท้าป่วยไปโรงพยาบาลต้องตั้งใจว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาสบายถ้าหายจงเอาไม่หายไม่เอาเราทุกข์เลยทุกข์อง <c oughs> ลองให้เลถ้า <c oughs> มันทุกข์ลองให้ต้องตั้งใจ <c oughs> ต้องตั้งใจหายก็เอาไม่หายก็เอา แต่ว่ามันก็ต้องมันต้องไปเข้าข้างหายนั่นแนหะในใจมันนะข้างไม่หายมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ว่ามันถูกนี่ไม่หายก็ต้องเอาสิหายก็ต้องเอาสิยอมรับทั้งสองอย่างเต็มบริบูรณ์หายก็ดีไม่หายก็ดีสบายเราอยู่ยอย่างเต่าแลไม่มีควา ม, จามเจ็บเลยไคนลราไปเข้าข้างตัวไม่ยอมรับธรรมะกับพระพุทธเจ้าของเรา อ, อเคยเห็นอย่างนั้น ญาติพี่น้องเคยเสียเคยหายไปของรักของชอบใจเคยเสียเคยหายไปพระประเทศได่ฟังอยู่ทุกวิลาวิลามเมื่อมันหายไปร้องไห้เหมือนนั้นร้องไห้จะได้จะได้อยู่นะันแต่ท่านประเทศได้ฟังยินมาแล้เราก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นจะได้ทำไมไม่พิจารณากันร้องไห้ทำไมทาไมใใจสบายคือไม่ยอมรับไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจรารณา คิดแต่ว่าอยากให้อยู่อย่างเดียวในอยากให้ไปที่ไหนโยมคนหนึ่งแม่ตายร้องให้อาตมาไปเห็นมาฟังกรรมโยมร้องให้ทําไมใช่นี่ของโยมไม่พอหรือไม่นะพอ่อเนึกไม่พอใจอะไรไหมท่านที่ยังามาถึงเจดเด็กๆหาเงินหาทองให้เราสร้างบ้านให้เราเนี้ ลำบากลำบูนท่านตายไปยังร้องให้โยมไปเครียดไปแค้นอะไรกับพ่อแม่ของเราไม่พออะไรไหมนี่อยากจะเอามาใช่อีกเหรอหรือทําไงไม่อยากใจมาช่วยหาเงินอีกดูดีๆเดียวร้องไห้ทาไมให้คิดอัตมาวอกมันพอแล้วยอมรับแต่เดีมันก็สบายถ้าถูกธรรมะเดียวมันสบายเลยโยมไม่มีอะไรแล้ว ต้องเตรียมตัวไปเตนเน่ น, นแค่น้อยนึงภาว น, นาไว้ได้ไงฮ่ า, านที่ใกล้จะถึงมรณภาหรือว่าตายที่ถ้าผู้ทักวคนธรรมดาไม่มีไม่มีสติไปเลยนะคะอ็ยไม่ถึงขั้นที่จะหลับจิตเลย น, น, นะคะเช่นพออก็ยง่นี่ยนะคะ ที <Ờ S 2> ่นี้สมมติตอนที่จะเป็นถึงยังไม่ดับติดนีครัก็จิตใจก็ไปโธงถึงกรรมไม่ดีที่ทำเขาเห็นเขาบอกมาบอกว่าถ้าเหวจอนั้นแล้วพอดับติดไปแล้วก็ไปสู่อบายสูมรมาถึงไหมจ่ะนั่นแหละเกาะตรงนั้นแหละ ก็เนนว่นคนคนนั้นไม่ได้เตรียมก็ไม่สามารถที่จะเตรียมใจได้อยู่ดีๆก็หมดสติไปเพราะว่าจิตมานานแล้วแล้วก็ดับจิตไปถ้าเผื่อสมมติว่าในขณะนั้นเขาได้ถึงแก่กรรมดีที่ทํานะคะก็ยังไม่มีปัญหาที่จะคนาสมมติว่เราจะไปรู้ได้ไงเขาได้ถึงกรรมดีกรรมชั่วถ้าคนหมดปัญหาแล้วมันจะมีสติทําไมมันจะไปเกาะอะไรล่ะให้คันดับจิตที่นี่ไม่ดับจิตแต่ว่าหมดหมดในสติมันต้องภาวงละโยมมันหลงอะมันหลงติดนะโยมมันติด มันต้องรู้ตลอดการมันปล่อยวางตลอดไม่ลงไดใช่ไม่ไม่ไม่ไม่อย่างนั้นมันไม่ออกไปไหนแล้วโยมมันยังเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นหรอกมันมีความรู้สึกยังไงอยู่เรารู้จักความรู้สึกอย่างนั้นแต่ตัวนั้นแหะมันยังอยู่งานทั้งจำทั้หลายก็ยังอยู่ทั้งจำยังอยู่เดี๋ยยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าอะไรก็ช่างมันเถอะนะออะไรก็ช่างมั้น